ศึกษาวิจัยทำในสิ่งที่เราปฏิบัติร่วมกันเพื่อว่าเราจะนำไปใช้ได้ถูกเราก็ในช่วงที่ทำก็ต้องทำให้ถูกด้วยนะประหลักของที่เราปฏิบัติเรียกว่ามากัมากมหมายถึงตัวสมถะและวิปัสสนาตัวสมถะนี่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับทางกายนะตัววิปัสสนาปฏิบัติเกี่ยวข้องกับทางจิต หรือสมรรถเกี่ยวข้องทางรูปจะถูกกว่าวิปัสสนาเกี่ยวข้องกับทางนามเพราะว่ารูปในการมีทั้งที่เป็นรูปพบอารูปพบการพบก็ยังเป็นรูปอยู่ทั้นั้นแม้แต่รูปก็ยังอารูปก็ยังเป็นรูปอยู่นะคือรูปของอารูปนะการพบรูปพบอารูปเกี่ยวข้องกับทาง เกี่ยวข้องกับสมถะอยู่พอขึ้นวิปัสนาปปั๊บก็มาเกี่ยวข้องกับทางนามรืยเฉพา ะ, ะเกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นญาณเป็นปัญญาเป็นทัศนะไปะนั้นเองกอ็ในรูปทั้งหลายทั้งปวงความจริงในอารมณ์ของสมถะเนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องที่ เป็นทั้งรูปนามนามรูปและลักษณะของความจริงของรูปก็ยังมีอยู่สามลักษณะเท่านั้นคือเปลี่ยนแปลงแต่ละเวลาอย่างความสงบเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นอรูปืออยอมสมส่วนความสงบนะความสงบของจิตหรือเป็นอรูปความสงบของกายเป็นรูปะ อ น, นี้ความปรุงแต่งของกายการอารูปเราก็ ย, ยังมีการปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นอารูปนะปรุงแต่งแบบไม่มีรูปการปรุงแต่งอยู่ดังนั้นความสงบก็ยังเป็นอารูปอันหนึ่งหรืออารูปพบทีนี้อารูปนี่มีอยู่ภายใต้อ น, นิจังทุกขังหน้าตาไหมไมันยังคงเป็นอารูปตลอดไปไหมใน ค, ความสงบมันยัคงตั ว, ว, วตลอดไปไหม เดี๋ยวก็ไม่สงบพอมันไม่สงบขึ้นมามันก็เป็นรูปถ้ามันสงบลงไปก็เป็นอรูปอยังเกี่ยวข้องอ น, นิจจังทุกขังนัตตายัางไม่พน้นเพราะนั้นรูปทั้งสามว่าเป็นรูปอย่างรูปกลางรูปละเอียดก็ยังเป็นอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังนัตตาแล้จะนั่งสงบขนาดไหนก็ตามเดี๋ยวก็ไม่สงบอะไรไมัเป็นรูปทีนี้หลักของมิปัสสนาท่านบอกว่าให้ไปเหนือกว่านั้นไปเหนือความสงบแล้วไม่สงบ ก็ให้แต่ว่าพอเข้าไปสู่ในความสงบก็มีสามขัน้นสงบขั้นต้นหริกะสมาธิขงบขั้นกลางหรือวิจารสมาธิสงบขั้นสูงขั้นลึกหรืออัปปนาสมาธินะแต่พอเรามาปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวนี่เราต้องการแค่คณิ ก, สกบบะสมาธิกับวิจารสมาธิก็พอพอนําจิตเข้าสู่ตัวปัจจุบันแต่ว่าไม่ได้ลึกลงใน ไปอีกไม่ได้เป็นอภปนาเพราะว่ามันเกินจําเป็นนะเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสงบแบบพลุมแต่ความสงบเพื่อที่จะเห็นความจริงก็พอละเห็นความจริงของอะไรเห็นความจริงของรูปรูปอย่างย่ารูปุอย่างกลางยุบอย่างเห็นความจริงของรูปคืออะไรก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วก็ในเมื่อเห็นว่ามันเป็น อ น, นิีจังทุกข์ขงอนัตตาควรแล้วหรือที่เราจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราก็ไม่ควรนะท่านก็เพื่อที่จะได้เราเห็นว่าเมื่อเห็นว่ามันเป็นรูปไม่ว่าสงบไม่สงบไม่ว่านิ่งหรือไม่นิ่งต่างก็เป็นรูปเราก็เห็นว่าเป็นนิจจังทุกขง์งอนัตตาก็ไม่ควรที่จะไปยึดท่านบอกว่าก็ต้องเบื่อหน่ายก็คือปล่อยวางนั่นเองนะ ไม่ถือมันในสิ่งนั้นด้วยอุปทานก็ปล่อยวางแก่นสารสาระของมันก็คือให้เราเห็นความจริงเส ก, ก่อนถ้าไม่เห็นความจริงเราก็ไม่ปล่อยวางถ้าเราเห็นความจริงของมันบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะปล่อยวางาวนั่นตัวสาระไม่ถือมันด้วยอุปทานก็ตรงนั้นนะเป็นตัวสาระสําคัญของเรื่องแต่ว่าทําไมเราจะต้องรู้ว่าทําไมเราจะต้องเข้าไปทําตรงนั้นก็นนเพราะว่าเรายึดติดรูปมาจนนาน นับกัับนับกัดน้ำกั ด, กดไอการที่จะปล่อยวางรูปได้ง่ายๆก็เป็นไปไดยากเพราะฉะนั้นเป้าหมายท่านจึงให้เจริญวิปัสสนาเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงเมื่อเกิดปัญญาเห็นความจริงแล้วมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจางแต่ไม่ใช่เกิดง่ายๆนะเบื่อหน่ายคลายจางทีเบื่อหน่ายในรูปหยาบแต่มันก็ยังมาติดอยู่ในรูปกลางเบื่อหน่ายในรูปขั้นกลางก็ยังมาติดในรูปละเอียด อารมูนี่เป็นรูปละเอียดรูปภพนี่เป็นรูปขนาดกลางการภพนี่เป็นรูปละเอียดรูปหยาบเพราะฉะนั้นก็ยังไม่พ้นจากภพฉะนั้นเราเจริญวิปัสสนาก็สามารถที่จะทําให้เห็นพัฒนาตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยให้เป็นนิสัยแทนที่จะพัฒนาความสงบเป็นนิสัยแต่พัฒนาตัวรู้ตัวเห็นตัวเข้าใจเป็นนิสัยให้สร้างตัวรู้ให้มาก เพื่อจะรู้ว่าจิตสงบเพราะว่าตัวรู้ตัวเห็นนี้จะเหนือกว่าความสงบเหนือกว่าความไม่สงบนะให้เหนือพือเห็นไม่สงบก็เห็นมันสงบก็เห็นมันดูไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าตัววิปัสสนาเราไม่เข้มแข็งไปไงพอสงบเราก็ไม่เห็นแล้วก็ไปยึดมันพอไม่สงบเราไม่เห็นมันเราก็เข้าไปไม่สงบกับมันโอ้คืนนี้นอนไม่หลับ เจ็ดไม่สมบูรพราะเราเข้าไปเปลยนมันเสียแล้วพราะเราไม่เห็นมันแต่ถ้าเราเห็นมันปั๊บมันก็จะดับแต่ถ้าเราไม่เห็นมันมันก็ไม่ดับเหมือนไฟอ่ะถ้าเราเห็นปั๊บเราก็รีบดับซะแต่ถ้าเราไม่เห็นมันก็ไหม้ไปเรื่อยๆอ่าดะนั้นถ้าเห็นแล้วยังไม่ดับนี่วิปัสสนานั้นยังไม่ใช่เป็นวิปัสสนาปัญญานะเพราะมันไม่ครบองค์ของวิปัสสนาปัญญาต้องเป็นครบองค์ของอริยสัจสีคือเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นที่มาที่ไปแล้วก็ดับมันเสีย แล้วคอยดูไปเรื่อยๆไอ้ตัวคอยดูไปเรื่อยๆนี่เองถ้าเรียกว่ามักะอะไรเกิดขึ้นก็นดูการที่เราคอยดูไปเรื่อยๆดูทั้งรูป ก, ก็เป็นสมถะดูน้มก็เป็นวิปัสสนาไอ้ตัวเฝ้าดูอย่างเดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งสมถะวิปัสสนาเพราะอะไรเพราะในสิ่งที่เราดูนั้นมันมีทั้งรูปและทั้งน้ำในช่วงไหนน้ำมไม่มีปัญหาเราก็ไปดูรูป ช่วงไหนน้ำมีปัญหาแล้วก็ไปดูน้ำแต่รูปนี่ไม่ต้องพูดถึงมันรูปนี้ม่ต้องมีปัญหาแล้วแต่ตละเวลาปัญหาของรูปคืออะไรจูวเนี่ยรูปคือค น, นอยู่ไม่ได้มันต้องขยับมันปวดมันเื่อยยังไม่ตรงโจปัญหาของรูปคืออะไรก็บอกข้อสอบไปแล้วยังตอบไม่ได้ดี๋าวซีนวปัญหาของรูปคืออะไระได้สามสิบเปเซน นอกจากไม่เที่ยงแล้วไปในจเออนั่นๆปัญหาของลูกมีแค่นั้นอนิจังลูกขันตาศาสตราธรรมของมันน่ะเราไปอย่างนั้นมันเป็นนิจังลูกขันตาตลอดเวลาลูกตามได้อารูปก็เป็นนะอย่างความสงบเนี่ยมันก็เป็นนิจังลูกขันตาเพราะเดี๋ยวมันก็ไม่สงบมันจะสงบตลอดกลับตลอดกันก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นท่านก็บอกมาให้ไปเอามันเพราะมันไม่เที่ยง อ่าถ้าไปเอามันเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงท่านเอาให้ตัวรู้ น, นั้นเราจึงสร้างตัวรู้เยอะๆไงสร้างไว้ใช้นะไม่ใช่สร้างไว้เก็บไว้เอานะสร้างไว้ใช้เวลาพ่ออะไรพ่อรูปอันนี้ยางทุกขงังดำมันเกิดกับรูปแต่ละเวลาถ้าสร้างความทุกข์ที่มันเกิดจากกายนี้ก็เรียกว่าความทุกข์เกิดกับรูปกายพอความทุกข์ไปเกิดกับรูปข้างในก็เรียกว่านามรูปความทุกข์ไปเกิดกับรูปข้างนอกก็เรียกวู่ปนามเช่นว่าเรา ความคิดมันเกิดขึ้นเนี่ยมันทุกข์แล้เนี่ยเกิดเนียเป็นนามมาลูกความทุกข์เป็นนามมาลูกมันหนึ่งก็ก็เข้าไปดูมันนะเข้าไปดูดูไม่ใช่ดูเฉยๆบางคนโอ้ดูความคิดดูไปเฉยๆดูไปเรื่อยๆใช่ดูที่ถูกแล้วมันต้องต้องดับถ้าดูไม่ถูกมันก็ไม่ดับนะดูยังไงถึงจะดูถูกไม่ใช่ดูแคลนนะไม่ใช่ดูถูกดูผิดอะไรนะดูดูยังไงถึงจะดับ ก็ดูไปเรื่อยๆมันไม่ดับก็บช่างมันเนี่ยก็ไม่ถูกนักนะแต่นั่นแสดงว่าวิธีการดับเราเ่ยไมดีพอก็ดูไปเรื่อยๆก่อนแต่เมื่อไรวิธีการดับเราดีพอแล้วก็ดูแล้วก็ต้องดับอ่าเพราะฉะนั้นเองก็เราถึงสร้างตัวดูตัวนี้เรียกว่าวิปัสสนาดูให้เห็นอะไรให้เห็นรูปนะแล้วก็แก้ทุกข์ที่มันเกิดกับรูป เอาอะไรไปดูก็เอานา้ำมาแหละนะแต่ทีนี้ถ้ารูปนะั้นยังติดเข้ามาในน้ําอีกน้ํายังไม่บริสุทธิ์น้ำก็ยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่ก็เรียกว่าน้ํำ ม, มารูปแต่เมื่อไรมีนม้ำเป็นน้ํำล้วนๆมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแต่ถ้าน้านั้นยังไม่คงที่ก็ยังเปลี่ยนแปลงเนะี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นรูปเรื่องเป็นนามพญายัน<ะ>เป็นนามสติสติสมาธิปัญญาเป็นรูปเลือง เ, เป็นนา อ่าเป็นนามแต่ถ้าว่าเราคิดอย่างมีสตินี่ได้ไหมไดถ้ถ้าคิดนี่มันก็เป็นปุงแต่งมันก็เป็นลูกอ่ะนเป็นนา ม, มาลูกอะคิดเป็นเจตสิกมันคิดมันเลอเ่เอามาคิดถึงแม่พิมพ์อย่างเงี้ยเป็นนามเป็นลูกเป็นูอ่านัเป็นนามาลูกแล้วใช่ไหม <c oughs> นั่นคือความคิดความคิดจึงเป็นได้ทั้งรูปทั้งนา เพราะนั้นบอกว่าสติเรามิสติก็ยังคิดอยู่เรารู้ว่าคิดนั่นก็เรียกว่ามันเป็นนามรู่แล้วสติอย่างนั้นเรียกว่ายัางเป็นรูปเป็นนามมารูปอยู่สติสมรรถียปัญญาถ้ามันปรุงแต่งอยู่เขาเรียกว่าสติสมถีปัญญานั้นเป็นนามารูปอยู่ต่อเมื่อไรเข้าไปรู้แบบไม่ปรุงแต่งตรงนั้นแหละสติสัมถีปัญญาก็จึงเป็นนามล้วนๆหมายความว่าถ้าคิดขึ้นมาเป็นเป็นรูปอยู่ สติสัมนีปัญญาก็ทําหน้าที่เป็นสังขารเรียกวา่าสังขารเจตสิกนี่เป็นเจตสิกอยู่ น, นี้จะทำยังไงให้มันบริสุทธิ์อย่างสมมุติว่าไอกะิเนี่ยนะเอาไปหุงเนี่ยถามว่ากะทิที่กําลังหุงกําลังเคี่ยวเนี่ยมันเป็นน้ํามันไหมก็ยังไม่ใช่มันเป็นกะทิอยู่ไหมก็ไม่ใช่เพราะว่ายังปนเงินอยู่แต่พอเคี่ยวว่าเข้ามาเข้าจนแห้งแล้วมันเหลือแต่น้ํามัน กะทิหมดไปนั่นก็เหลือแต่นามสมมุตินะกะทิเหมือนลูกนะเพราะนั้นต้องเขี่ยวอย่างนั้นเคื่ยเพื่อจะให้ลูบนามนามลูกให้มันเหลือนามล้วนๆเคี่ยวสติสมาธิปัญญาที่มยังเป็นสัง ข, ขารอยู่เนี่ยให้มันเป็นวิสัง ข, ขาร น, นั่นเพราะฉะนั้นความเพียรเพื่ออะไรเพื่อที่จะเขี่ยวให้สติบริสุทธิ์ให้สมาธิบริสุทธิ์ให้ปัญญาบริสุทธิ์นะแต่ถ้าหากว่าสติสมาธิปัญญาตรงนั้นทำหน้าที่เป็นสังขารอยู่มันก็ยังไม่บริสุทธิ์ มันก็ยังเปลี่ยนแปลงอยู่เราจะเห็นว่าบางครั้งเรารู้สึกบางครั้งก็ไม่รู้สึกบางครั้งจิตเราก็ตั้งมัน่นบางครั้งก็นไม่ตั้งมัน่นบางครั้งก็รู้เท่าทันบางครั้งยังไม่รู้เท่าทันนั่นสติสัมปชัญญะยังเป็นนามรูปอยู่เพราะมันยังไม่คงที่ต่อเมื่อเราเราเขี่ยวเราทําความเพี้ยนมากเข้ามากเข้ามากเข้าจนกระทั่งสติสัมปชัญญะมันเขี่ยวเป็นหนึ่งเดีาายวเป็นเหลือแต่น้ำมันสติสัมปชัญญะก็เป็นนามเป็นตัวที่พร้อมที่จะดับดับตัวรูปได้นะรูปเข้าไปก็ดับเลย นะดังนั้นก็เหมือนน้าตกใส่ไฟอ่ะถ้าน้ําไม่พอไฟก็ยังไม่อยู่เพราะน้ํามันเยอะไฟตกไปปับ๊บไฟเป็นไงก็ดับเห็น ไ, ไหมนะแต่มันตกใส่ขี้ตมุมเี่ยไฟตกใส่ขี้ตมบางทียังไม่ดับนะใช่ไหมเพราะมันยังไฟมันเยอะอยู่แต่ตกไฟตกใส่น้ําน้ํามันเพียวๆล้วนๆไฟดับเลยนั่นหมายความว่า น, น้ำแล้วถ้ามีขี้ตุมมีลูปอยู่แต่ถ้ามันเป็นน้ำล้วนๆใสๆไฟตกเท่าไหร่มันก็ดับเท่านั้น จิตของเราเมื่อไหรทั้าติสมถีิปัญญามันใช้ล้วนๆเนี่ยสังขารตกเข้าไปเท่าไหร่สังขารนั้นก็ดับเท่านั้นแต่บางสังขารตกขอาเรามไม่ดับก็เพราะเราสติสมถียปัญญาของเรายัางไม่บริสุทธิ์มันถึงได้มีโอกาสได้ปรุงแต่งอยู่นะเพราะฉะนั้นในจุดนี้เราจึงนะต้องเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจแล้วจะทําไงดีทําสมถะบางวิปัสสนาบางนั่งสงบบางนั่งไม่สงบบางเอาไพเนีย่ยสับสนนะจะทําไงดี นี่เขาเรียกว่าความเข้าใจยังไม่พอเพราต้องทําไปให้เห็นด้วยปัญญาแล้วก็ทําด้วยความไม่ลังเลแล้วทีเนี้ยจะนั่งสงบ ก, ก็ไม่ลังเลจะนั่งไม่สงบ ก, ก็ไม่ลังเลทําได้ทั้งนั้นนะ่ะเรื่อเข้าใจแล้วจะนั่งสงบ ก, ก็ได้นั่งไม่สงบ ก, ก็ได้นะเพราะเรารู้สาระของมันแล้วแต่นั่นแหละถ้าไม่เข้าใจเราก็ยังใช้ไม่ถูกนะ คนจะเดิญสติมาเยอะแต่หนึงใช้ไม่ถูกยังทำอะไรถูกถูกผิดผิดพูดอะไรถูกถูกผิดผิดคิดอะไรถูกถูกผิดผิดเพราะว่าเดียวยังใช้สติสมาธิปัญญายังไม่เป็นนะแต่นั้นก็ใช้ฝึกใช้ด้วยนะไม่ใช่มีหน้าที่หาเงินอย่างเดียวแต่ใช้เงินไม่เป็นเดี๋ยเงินก็หมดต้องฝึกใช้เงินด้วยเหมือนกันเราจะหาสติสมาธิปัญญามาเยอะแยะยังพูดถูกทำทำพูดผิดทําผิดคิดผิดอยู่ก็เพราะว่าเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่ยังไม่เป็นก็ฝึกใช้ให้เป็น ทำไงจะไม่ใช่เป็นกระใช้มันบ่อยๆนะอย่างสติเนี่ยค่อยละลึกมันบ่อยๆสมาธิยยค่อยตั้งจิตบ่อยๆมันเผลอคิดไปแล้วก็ตั้งจิตใหม่เผลอคิดไปแล้วก็ตั้งจิตใหม่ตั้งมันบ่อยๆหรือปัญญาคือรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตช่วงไหนไม่รู้เท่าทันก็ตั้งอตั้งสติสมาธิใหม่ปัญญาก็รู้ทันอย่างเงี้ย น, นี่เรียกว่าให้เข้าใจในเบื้องต้นเรื่อง มัชมักคือสมถะและวิปัสสนาเมื่อใดเราเฝ้าดูในตัวรูปเป็นสมถะเมื่อใดเราเฝ้าดูในส่วนที่เป็นนามรูปเป็นวิปัสสนาเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็แทนที่เราจะเอาตัว กุศลอกุศลตัวบุญตัวบาปเอาสงบไม่สงบเอาสุขไม่สุขเราไม่เอาละทีนี้เราก็จะดูไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆแก้ทุกเป็นละทีนี้มันชีวิตมันก็ไม่ทุกลูกมีปัญหาก็ไม่ทุกหนามมีปัญหาก็ไม่ทุกดูมไปนะดูไ ป, ไปแก้ไปเรื่อยๆนี่หน้าที่ของเราในที่สุดตรงนั้นเขาเรียกว่ามักปฏิบัติอยู่ในมักตลอดเวลาเราก็จะมีความเบาสบายขึ้นเรื่อยๆเพราะรูกมันทําให้ หนักหรือให้เบารูปมันทําให้หนักเมื่อใดรูปไม่ว่าทางกายก็ตามมันหนักด้วยอะไรอ่ะด้วยอานิจังทุกครั้งหน้าตานั่นแหละมันมีน้ําหนักหนักนั่งนานก็หนักแข้งหนักขาเดินนานก็หนักแข้งหนักขาคิดมากก็หนักโอหนักใหญ่ใช่ไหะไม่ว่ารูปข้างนอกข้างในมันทําให้หนักที่ปฏิบัติไปพอเราแก้ไขเป็นกายก็เบาใจก็เบาพอกายเบาใจเบามันก็ ความสุขสงบมันมีมาเองโดยที่ไม่ต้องหาไม่ต้องไปนั่งให้มันสงบมันสงบแต่ถ้าหากว่ากายยังหนักใจยังหนักยังคิดยังปรุงยังแต่งอยู่เวทนายังหนักอยู่เนี่ยนั่งให้มันสงบอย่างนี้มันก็ไม่สงบหรอกเพราะมันเป็นรูปอยู่เพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้มันเป็นรูปที่เป็นละหุตาจิตตะลุงหุตาจิตตะมุตุตากายยะละหุตากายยะมุตุตาให้มันจิตมันเบากายมันเบาจีสวดไว้ในกรณีไม่มีความเบากายเบาจิต ก็คือการสัมผมอินทรีสันติริโยเจนิปโกะจะประคับโผคือไม่คิดไม่พุงแต่งไม่ยึดนะประคับโพดังนั้นเราจะเห็นว่าก <c oughs> ารปฏิบัติของเรานั้นจะต้องทําให้มันเข้าใจถูกต้องแล้วก็ใช้ถูกต้องด้วยเข้าใจถูกต้องหมายความว่านําปฏิบัติที่ไหนก็กได้ไม่ใช่ว่าออวันพูดมาปฏิบัติเสทีไม่ใช่หมายความปฏิบัติมาทุกวันนั่นแหละ แต่วันพุธนี่ก็ถือว่าเป็นการมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันให้เป็นองค์กรให้เป็นคณนะให้เป็นหมู่คณนะให้เป็นสังฆะขอเราให้ปฏิบัติกันเพราะสังฆะถือว่าเป็นกําลังกําลังให้กับคนที่ยังอีซอ่อนให้มีอีเข้มแข็งขึ้นคนที่มีอีซเข้มแข็งแล้วไปได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือคนที่มีอีอ่อนก็เรียกว่าสังฆะเป็นกําลังช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะละทิ้งทั้งสองส่วนคือหมายความว่ส่วนที่ปฏิบัติแบบร่วมกลุ่มก็ควรจะรักษาไว้ปฏิบัติแบบส่วนตัวก็ควรจะดําเนินไว้คือเวลาไปทําการทํางานทุกขณะนะนนการพูดการคิดเราก็จะพิจารณาใช้สติสมารถปัญญาเรื่อยๆในสังคมพุทธเป็นสังคมที่ใช้สติสมาริปัญญาไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความ อยากไม่ใช่ความต้องการแต่ว่าใช้สติสมัมปัญญาเพื่อกันเพื่อมันถูกต้องแล้วมันก็ลงตัวเขาที่เขาทางเย็นวันนี้พูดนี้ก็ถือว่าได้ไดวิเคราะห์กันฟังที่นี้วันพูดหน้าจะมาทันดนะ้วยแล้วก็ใครอยู่ก็ทำหน้าที่ไปนะ